ความสัมพันธ์วัดสะระปทุมและวัดป่าสุทาวาสวัดป่าสุทาวาสเป็นวัดที่สามพี่น้องคือแม่นุม่มแม่นินและแม่ลูกอินสร้างถวายท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะสงบลงท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่โคกศรีสุพรรณแม่นุ่มไปขอพระไปเป็นเจ้าอาวาส ระหว่างท่านพระอาจารย์กับแม่นุ่มนั้นพูดกันไม่ถือสาหาความพูดเหมือนพี่กับน้องพูดกันท่านว่านุ่มนี้วุ่นตะวัดภายนอกส่วนวัดภายในใจนั่นนะ่ะคือศีลสมาธิปัญญาเหมือนตะกรา้าไม่มีหมาครูท่านว่าทำนองนี้แต่แม่นุ่มเขาไม่โกรธไม่ถือรันท่านพระอาจารย์มาพักที่วัดป่าบ้านน้องผือหลังสงครามโลกสงบแล้ว แม่นุ่มมาขออีกท่านว่าอยากได้ใครตอบว่าอยากได้ท่านฟันคือพระอาจารย์ฟัน่นอาเจโรเพราะเป็นคนถิ่นนี้ท่านพระอาจารย์ว่าวัดนี้เป็นสาขาวัดสปประถุมพระอาจารย์ฟันเป็นคนสกลนครพระมหาทองสุขสุจิตโตเป็นคนสระบุรีทำไมท่านพระอาจารย์จึงทำอย่างนั้น ท่านคงมีเหตุผลของท่านพระมหาทองสุขขอร้องไม่อยากรับท่านพระอาจารย์ก็ขอร้องและเห็นใจพระมหาทองสุขเพราะพระมหาทองสุขท่านตั้งปณิธานอย่างหนึ่งแต่ได้ทำสิ่งที่ไม่ได้ปณิธานไว้แต่ด้วยความเคารพท่านก็น้อมรับคือรับเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสผลงานที่ออกมาชาวสกล น, นครยอมรับทุกท่วนหน้า